ปัญหามีวัยแก้ไขบางครั้งยิ่งหาทางแก้ไขก็ยิ่งมีปัญหาเวลาที่จะปล่อยวางให้อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปแต่ก็เกิดกลัวว่าจะเกิดในสิ่งที่เราไม่ต้องการจะทำอย่างไรดีและสภาวะจิตเช่นนี้เรียกว่าการหยุดติดใช่หรือไม่ค่ะคือจิตของเราเนี่ยมันมันเรื่องราวมันเยอะมากอะถ้าการฝึกจิตมันคุณภาพจิตเรามันยังไม่พอ เรื่องเล็กๆน้อยๆมั น, นก็เป็นปัญหาถ้าคนที่จิตจิตมันวางได้มันก็ใช้เฉย ๆ, ๆเห็นการกระทามันเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยคนหนึ่งมองแล้วเออเป็นธรรมดาอ่าเป็นปกติจะเกี่ยวกับญาติก็ตามเกี่ยวพี่น้องก็ตามเอาส่วคนตายปับ๊บคนนี้เห็นคนตายอ๋อธรรมดาคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นพ่อเราแม่เราก็ต้องตายลูกเราก็ต้องตายเอาถ้าทาจิตได้ทาได้จริงๆ มันทำได้ไม่กังวลกับอะไรเพราะเขาเข้าใจดีแล้วทุกสรรพสิ่งเข้าใจหมดแล้วแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราฝูกจิต น, น้อยอะ่ะแค่ได้ยินว่าลูกเราไม่สบายหัวใจนี่แม่นี่โอ้โหจะขาดหลอนๆแล้วเป็นไรมากหรือเปล่ามันก็ทุกข์มันจึงขึ้นอยู่กับ การฝึกจิตของตัวเองเพราะนั้นปัญหาที่ว่าเป็นปัญหาเนี่ยปัญหาแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันอยู่ที่จิตอยู่ที่จิตของเราว่าอบรมมากน้อยแค่ไหนถ้าอบรมมากๆมันก็พอปล่อยวางได้อะทีนี้ปัญหาเนี่มันมันการแก้ปัญหานี่ถ้าหาว่าเราทำจิตได้ก่อนดีทำจิตให้สง บ, บก่อนพอจิตสงบแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าปัญหานี้ควรทำยังไง ถ้าเราปล่อยวางเฉยๆมันมีปัญหาเกิดขึ้นแน่ๆเราต้องไปแก้ปัญหาแต่จิตเราต้องไม่มีปัญหาเขา้าใจไหมที่เรากำลังพูดถึงคือปัญหาในจิตเขา้าใจไหมปัญหาในงานต้องมีปัญหาในสิ่งแวดล้อมก็ต้องมีแต่เวลาเราไปแก้ปัญหาเนี่ยให้จิตเราไม่มีปัญหาซะก่อนให้จิตมันสงบจิตมันเป็นปกติแล้วมันจะมองด้วยใจที่เป็นกลาง มองด้วยความเป็นธรรมะไม่เอาตัวตนเข้าไปแทรกแก้ปัญหาแล้วมันถึงจะไม่มีปัญหาที่แก้ปัญหาแล้วมีปัญหาเพราะอะไรเอากิเลสไปแก้อยากให้ได้อย่างอย่างอย่างความต้องการของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันก็ปัญหาอุกศรขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าจิตมันมันมันเป็นกลางอะ่ะมันมีธรรมะอยู่อะ่ะอย่างนี้อย่างนี้ทำไมททำอย่างนี้ เพราะมีเหตุผลอย่างนี้ความจริงเป็นอย่างนี้คุณผิดผิดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คุณล่ะทาไมอย่างนี้เหตุผลควรทำอย่างนี้อย่างนี้แต่คุณทำอย่างนี้ผิดคนนี้ผิดมากคุณต้องแก่มากคนนี้ผิดน้อยคุณต้องแก้น้อยผิดด้วยกันทั้งคู่แต่ผิดน้อยผิดมากเนี่คนคนที่ไปตัดสินอ่ะมันจะต้องมีธรรมะหรือว่าตัวเองน่ะต้องมีธรรมะมันจริงจะแก้ปัญหาได้ ได้ชัดเจนได้แน่นอนได้ถูกต้องแต่ถ้าเรามีความลำเอียงมีตัวเองอยู่ใช่ไหมเนี่ยแฟนเราไปมีปัญหากับคนข้างนอกเราไปอยู่ข้างไหนล่ะอยู่ข้างแฟนอยู่ข้างแฟนเนี่ยมันก็เริ่มลำเอียงแล้วเนี่ยแล้วก็จะไปให้ได้อย่างที่เราต้องการนะที่นี่เออมันก็เลยปัญหาก็วุ่นวายนี่แหละคือความสูญเสียความเป็นธรรม มันสร้างปัญหาให้แก่โลกแต่จะให้คนทั้งโลกมีธรรมะก็เป็นไปไม่ได้ด้วยก็จะมีแต่คนที่ปฏิบัติตามคำสอนของผู้เจ้าเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าไปหาธรรมะจิตใจก็ไม่มีทุกข์แต่จะแก้ปัญหาทั้งโลกเป็นไปไม่ได้จะต้องยอมรับว่าโลกต้องเป็นแบบนี้สัตว์มนุษย์เกิดมาแล้วต้องเป็นแบบมนุษย์ตลอดไป แล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอดอนันตการเข้าใจไหมตราบเท่าที่จิตของเรายัางไม่ถึงพันิพานเราจะเวียนว่ายตายเกิดวนเวียนสั้งกรรมสร้างเวียนนั่นนั่นนี่ น, นี่ทุกแล้วทุกอีกแล้วก็เวียนเกิดเวียนตายอยู่อย่างนี้ตายไปแล้วเอาอะไรไปได้ไหมไม่ได้เกิดมาเอาอะไรมาได้ไหมไม่ได้ก็แค่นี้อะ่ะชีวิตเราจะ อ, าอะไรอีกแต่ก็ยังพอใจอยู่ พอใจอยู่ก็บางทีก็มีความสุขอยู่สุขสุขทุกๆุสุขสุทุกๆเบื่อเบือยากๆยากก็ดีเหมือนกันนะคือถ้าเราลึกซึ้งเข้าไปอะมันไม่มีอะไรไหมพ่าอย่างนี้หมายว่ามันเกิดมาแก่ลงไปแก่ลงไปสุดท้ายเราก็ต้องตายไปที่นั่งอยู่นี่แก่ลงไปไหมนั่งฟังธรรมนี่ก็แก่ใช่ไหม แก่ลงไปแก่ลงไปแก่ลงไปความตายก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาสุดท้ายก็ต้องตายด้วยใช่ไหมรู้หมดแล้วนี่ก็ฝึกจิตเราให้มันเข้าใจลึกซึ้งอยู่ข้างในอะ่ะให้รู้มันลึกซึ้งข้างในแล้วให้มันคลายออกได้จริงปล่อยวางได้จริ ง, า ง, รงการยึดธาตุขันขันห้าว่าเป็นของเราจะเบาลงเบาลงเบาลงสุดท้ายวางวางขันห้ไม่เอาขันมาเกิดอีก ไม่กลับมาเกิดอีกจบพอจบก็เอ๊ะแล้วมันจะสนุกตรงไหนะมันก็ไม่อยากจบอีกถ่ะคิดเอาแต่ถ้าคนที่จบแล้วก็จะรู้สึกได้ว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดมีค่าที่สุดซึ่งก็ตรงกับหลักคำสอนของพระเจ้านั่นแหละเราฟังฟังเข้าใจไหมเนี่ย <laughs> เอาพูดตรงไปตรงมานะเนี่ย มันมันอบพม้อไม่ได้ใช่ไหมธรรมะมันต้องจริงจริงใครฟังได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไง